อยาฟทำกันนะประเดียวทากันเถอะพปกเราเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเรานี่นอกตัวเรามาเป็นเรื่องปฏิบัติเพราะเรามีหลักคือมีสติเราสร้างสติมีสติเพื่อสติตั้งนการใช้ชีวิต สิ่งใดที่เกิดขึ้นในกายนอกกายในใจนอกใจเอามาเป็นเรื่องปฏิบัติเอาสติข้าไปเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้สิที่มาเกิดกับกายกับใจเรานี่หลงเปลี่ยนเป็นลูกเหมือนทุกเปลี่ยนเป็นลูกมันโกดเปลี่ยนเป็นลูกมันมีอะไรเกิดขึ้น พีเกียีกลางง่วงเอาห อ, อ น, อ น, หอนหเลยตระหนักเปลี่ยนเป็นลูกนี่เลย ว, ว่าหัดตนสอนตนมันเปลี่ยนได้จริงๆเชื่อบั่นเชื่อฝีมือเชื่อธรรม ะ, ะหลักปฏิบัติแต่ก่อนนี้ไม่มีใครบอกใครสอนเลยไอ้ถือโนนถือนีอย่น ย, น ย, ยึดนู่น ย, ยึดนียย่ เอาความดีจากอันอื่นเอาความผิดความถูกจากสิ่งอื่นไม่ได้เห็นตัวเองวางจุกทุกกขดจากสิ่งอื่นจะดีวิเศษก็ให้อันอื่นพาดีวิเศษอทถาอาคมหบเครื่อง้างของของังถือดูดงามยามดีวันเวลา อะไรต่างๆเอาความผิดเอาความถูกจากสิ่งนอกกายนอกใจไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยพอมาอบหลงพ่อเถียนลงพอเถียนสอนเรื่องนี้สมผัดลองดูสมผัสลองดูมีสติใช่ได้ตั้งแต่ต้นโดยทีเดียวให้เหมือนทำมืนอื่น ปฏิบัติทราเนี่เป็นปัจจัตังันทีอเลยมีประโยชน์มีอนใ้สงฆ์เกิดขึ้นเก่ยวผู้ปฏิบัติก็รับผิดชอบเรื่องนี้เมื่อปฏิบัติจากนี้ก็เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในโลกนี่ที่ไม่ถูกต้องก็เปจิตเป็นงานเป็นหน้าที่เสนอจิตอาสาเข้าไปตันตทีเชียงห ว, า, งห า, วเาเชยงไหล้ก็้องเขอเใจนั่นทีเ บางทีก็อยากออกหน้าด้วยมันมีเราร่วมไม่เลิกความคิดเห็นการทาต่างๆความเ็นอยู่ในหมู่คณะในจิงเบอรลองล้ลมไปก็มีบ้างอย่างอะไรไม่ดีอะไรควรจะดีอะไรควจรควจะเจับ ตำเป็นไปเองเมื่อมีเกณฑ์ชีวัตความถูกต้องที่มีในตัวเรานอกตัวเราเป็นสาคลก็มัดใหว่าเออชีวิตของคนหนึ่งถ้ามาศิกษาเนี้ต้องไปอย่างนี้ทุกคนโอ้นมีปัญญาชนไม่ใช่คนผ่านยอมรับได้ ล้วเตียวน่ะต้องเป็นตี้งนอนเรื่องนี้ต้องมีผู้ที่เกิดแนวร่วมยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นก็เกิดหน้าที่โดยตรงต็คทีเมื่อมีคนยอมรับก็มองอะไรทุ ก, ท, กทุกอย่างทะลุทะลวงไปหลายอย่างก็ได้มีโอกาสได้ บอกความที่กลมจริงออกไปเรื่อยๆไปบางทีก็ไปเกิดเราก็เรียนเ ม, มื่อคิดออกเองด้วยตัวเองนี่คือทํานำพาไปเห็นอะไรต่างๆรู้ผู้รู้คนรู้คำสอนรู้สถานที่เป็นอย่างไร ถกต้องคืออย่งางไรเขาเขาเคยเห็นมาเรื่องนี้เราจึงงั่นใจที่สุดในการปฏิบัติทาํานีเพราะเหมือนเจอได้ไม่เปลี่ยนได้คัดเตือกได้ในตัวเรานี่มันมาอะไรก็ลูกเข้าไป มันขย้นตรงนี้ขย้นเปลี่ยนร้ายเป็นดีอยากให้มันมีความไม่ดีเกิดขึ้นที่ขาที่ใจให้ความไม่ดีเกิดขึ้นอย่ากต้องการลองใจก็ไม่ไม่ทอดทิ้งถือว่าเป็นการบ้านไม่ทําไม่ได้ก็พ ย, ยายามทําจึงเป็น ความชอบเกิดขึ้นในชีวิตจริงจิงการปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีใครบอกใครเจีย์ใครสอนหน้าที่การงานดูต่างๆดูออกบดองเสียงทุกเสียงกับเงินเสียงพระชนมุนเขาว่าไม่ก็เป็นดีเขาว่าดีก็คิดว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นคนทุกคนเป็นพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความดีในตั่วทุกคนรับผิดชอบขอโลกทำครณผู้คนอยู่ที่ใดที่ไหนก็ตามคือการปฏิบัติธรมรมมาดอเลือกการละทิ้งจะอะไรที่ไหน เป็นความดีทุกโอกาสขอ ล, กกลบกันไปเลยจะงงกันไปเลยนุดความดุร้ายลงไปเลยหมดพิษหมดภัยไปเลยขอลบ ก, กันไม่ล่วงเกินไม่แม้ทั้งความคิดไม่ล่วงเกินกันในด้านความคิด นี่เขาจะไม่เห็นด้วยขาไปล่วงเกินเขาล่องเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนี่ไม่ได้อื่นเบบนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงให้รู้เรื่องนี้ทําให้เกิดความขยันทีม่มีงานการมากขึ้นเกิดความรับผิดชอบขึ้นมาในหลักการปฏิบัติความถูกความผิด บอกได้สอนได้เชื่อได้เขได้รึกษาหาดียิ่งเราิ่งก็มีผูกพันกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับมูมิดเพื่อนฝูงกับประเทศชาติกับจสิงวันร้องมันก็ว่องใจไพศาอพลัง สัทธาพลังความเพียรพลังแห่งน้ำใจเพิ่มเติมยิ่งใหญปฏิบัติธรรมในันเป็นไปเองเราก็เป็นอย่าง น, านั้นทุกคนทุกชีวิตมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในกายใน ใ, นใจเรานี่อย่าอย่ากบเกิือนตัวเองเวดาใดมันแสดงออกคว่าไม่ถูกต้องนั่นละโอกาส นาทีท้องนาทีท้องเกิดขึ้นเจอผู้ปฏิบัติธรรมด้วยเหตุส่งนที่มาดีเกิดขึ้นเราเปลี่ยนกันมีอะไร่าทีมันก็มีนิสัย ก, สกส็สนุกเป็นส่วนตัวสนุกเป็นส่วนตัวทุกคนมีนิสัยมาแค่ชีวิตที่ผิดผิดพลาดมา ถ้าทำดีก็อาจะาาาจะติดความดีมาฉายถ้าทาชั่วก็อาจจะดความชั่วมาฉายก็จะได้สแสดงได้ลบไดล้างได้เปลี่ยนความบรธด์เข้าไปโยเพราะเรื่องความว่าดีที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยรู้สึกว่ามันซึ้งใจที่สุดเลย อันกรมไม่ดีที่คนอื่นทากไปเราเน่ยมันไม่มีอะไรหรอกไม่ภาษีภาษาถ้าเราปฏิบัติทำรรเ่ยวม่ใช่จะมาดั่งเศ้าหมองดังคิดดังมีอารมณ์ยิ่งเมื่อเกิดกเราเกิดปัญหายิ่งง่ายๆส่วนตัวมองตนหนึ่งชัดเิน คืออะไรคืออะไรทำมันจะต้องมองเป็นเรื่องจิบจ้อยลมมันามายิ่งใหญ่ดังนั้นปฏิบัติธรรมมันตืน่นไปเองถ้ามีสติตใช้สติใช้ยิ่งใชยงง้ยิ่งมากยิ่งนีพลัง พวกเรามาอยู่ในป่าในธรรมชาติเป็นมิตเป็นเพื่อนก็นยิ่งเป็นพลังสำับสนุนยิ่งเผื่อคนอื่นก็ลบเพื่อนเขาลบมิตรมากขึ้นยิ่งได้ยินเพื่อนพูดเรื่องธรรมาก็ยิ่งมีกันเล่านมิตรวนใจสดงออกทั้งควัญอารม เอาอกเข้าใจตึงกันและกันช่วยเหลือกันและกันไม่ได้ปล่อยกันคนหนึ่งดูออกคนหนึ่งลำบากที่เหมือนนั้นไม่ได้ดูลรอยู่กับเพื่อนกับโ ม, โมูพวกเราก็เหมือนกันอยู่กับแม่ชีอยู่กับคนว่าญาโยมยิ่งสนุกสนินเขา เราก็เป็นนักบวดอาจจะมีอะไรที่มันควรจะช่วยเขามีดีกว่าเขาก็กระตือรืร้นดีช่วยเหลือเขาลูกมากที่สุดห็นแม้ที่ทำอาหารเห็นทำโน่นทำนี่ไม่คิดว่าจะมีความคิดว่าจะต้อง หาความสะดวกจากคนอื่นเห็นเขาช่วยเราก็ยิ่งอ่อนลงมาลดตัวลงมาไม่ใช่เยอะจริงโลกกลัวหลังแม่ชีก็ถักสาอตะคดเอวให้ทางที่แม่ตดวขอ ยิ่งกลัวแม่ชีไม่น้่ใจแตนาดแม่ชีอยู่เท่าหัวอยู่ด้วยยังคิดช่วยเราอยู่ยกมือไหว้กราบลบเราออยู่คุณอาจารย์คุณอาจารย์ก็ยิ่งกลัวมากความดียิ่งทำให้ตัวเองไม่ประมาท ไม่ใช่ไหวเลยเรียกร้องใช่เขาเวลาวินตาบาล้วกับเนินน้อยเนนน้อยจะรับบาทมีน้ำใจวินตาบาทออกมาจากบ้านเราเนนน้อยวิ่งออกมาข้างหน้าเขาขอรับบาดโอ้กลัวเนนมีน้ำใจหน อ, อตัวเนนน้อ ย, อยตัวเองก็หนักอล้วมังขอช่วยเราอยู่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ยังมาขอช่วยเราอยู่ ไม่ให้เลยไม่ได้ปล่อยบาดนั้นหลักๆให้เนรด้วยตัวเล่นน้อยเหมือนที่เห็นฮะสำนักบางสำนักเนรตัวเล่นน้อยหายบาดสองบาทบาทหนึ่ง ข, องขอ้องคออ้วนไปวิ่งจัดๆๆๆไปวางบาดลงสะบัดหัวสเสาแห็บเห็อาจารย์ก็เดินเสยอ้ย ทำไม่ได้อย่างนั้นนะไม่สอนพาสอนเรนไม่ต้องให้ใครช่วยอย่างนั้นเรนจะรับไปจะรับไปเราจะช่วยตัวเองหลวพอเทียงก็เขาไม่ใช่ชี้ค่าเราเรนก็มาบวชเขาเพื่อมาปฏิบัติไม่ชีเขามาบวชของเพื่อมาปฏิบัติอย่าโยมมาอยู่วัดอยู่ว่าเข า, าขเพื่อมาปฏิบั ต, บติไม่ใช่เขามาเป็นชี้ค่าของเรา ให้เขารบของดมว่เาเจีก็พูดว่าชัดแจ้งชัดเจนลบวิอยากเขีนไม่ชีไปเจ็บฟักขักพืนบางทีไม่ชี้มไปหัก่อกไม้ในวัดบางทีอยู่กันจำนวนมากหาไม่พอหัก่อไม้ไหมแจ้งฉันเพนผนขวดที่จะให้เรา อาอให้เราดีเราก็ช่วยพักต่อมาช่วยอยู่ในวัดเราเองน้ำล่างบาดไม่ชี้ก็ไม่ทิ้งขหน้าล่างบาดให้เทใส่กระมังอย่าไปเททิ้งเทฉลามังจะไปล่างถ่วจะไปลดพริก ที่ล่างถ้วยล่างชามมีต้นพริกเพาะได้เจ็บมาตำน้าพริกนิดๆๆๆๆนินอยโอ้เราไม่เคยเห็นแม่ชี่าขอน้ามลังหาก่างถ้วยไปหดลดต้นพริกอีกล่างถ้วยเล้วเท ส, สะาดสต้นพริกอยู่ข้างๆที่ล่างถ้วยล่างชามมาโู ความเราเหยียดปานี้ขึ้นหมาจากความไม่ดีจากความดีเพื่อหมาสอนตัวเองปฏิบัติธรรมเ น, นีเราจึงให้เคารพกันให้ช่วยกันอย่าหาความสะดวกอยู่บนความเหนื่อยล่าของคนอื่น ให้เคารบกันอยูเ่เหมือนกับพ่อกับแม่มองผู้หญิงเหมือนแม่ไอ้แม่ชีผู้หญิงงงพระเหมือนพ่อเหมือนพ่อเหมือนแม่ตลูกจิต ใ, ใจมันก็จะอ่อนเหมาะใจการบรรลุธรรมไม่ใช่เดือดร้อนอิ ท, ทธิเตมานะ ยืดหยิ่งยืดหย่กข่นคูคนอื่นเขาเลี้ยงคนเราเราดีกว่าเขาเรียกไม่ใช่ก็ชี้ชีมือชี้ชี้ไม่ต้องเรียกว่าชี้เรียกว่าแม่ชี้เต็มปากแม่แต่เป็นเด็กเด็กสาวสาก็เรียกเขาแม่ชี้ถ้าวดเป็นแม่ชต้องบุเรียกว่าแม่ชบางวันจะเรียกชี้ไปชี้ชี เนี่ยก็ว่ามีค่าเลยยังเห็นแม่ชีไปหาแผ่เรี่อะไรโอหยุดเลยพวกเราจึงให้ลกลบก่อนอยู่พวกเราอยู่นี่ถ้าจะพูดเราก็มีสามพี่นอ้อง ให้แม่ชีทุกวันให้เคารพ ก, กันวานก็ไปวัดผูเขาทองหน่อยหนึ่งไอดูแลแม่ชีด้วยเด้อเรามาได้สวนมวนสวดฟ้อนวันเรามีประชุมประชัยเขาแบ่งเขาเขาก็ทำงานหนักงานถ้วยล้างซาตั้งแต่ฉันเช้าจนฉันเพลยนฉันเพียนเสียชิงก็ได้หยุดงางถ้วยเราจึงได้เงียบ ท้งที่ฉันหัวฉันไม่ใช่อาหารแต่เดียวเจ็บกวดทุกสิ่งทุกอย่างเกยเปพาะวันูขอทองหนึ่งขอให้ไม่คีไปอยู่อะไรก็ดีขึ้นกว่าพระอยู่โดยซ้ำไปพระอยู่โลกล้วหลังพระจีวรที่ เอาไว้บวชเน้นเหม็นคู่ทั้งว่าทั้งตู้ไม่ได้พับใดเลยไอ้มตู้ม่วนม่วนยัดเข้าไปม่วนม้วนยัดเข้าไปพระมีแต่พระนมนมผมไม่ชีไปอยู่กับศักิเป็นแลมเดือนเจ็บนอนเจ็บนี่เจ็บตู้ก ซักแล้วก็เก็บภาพไหวเป็นระเบียบเหมือนไม่ชี้หัวอยู่นี่เลยขอโยกๆไว้ชี้เดี๋ยวร <c oughs> ะเบียบห่มก็ซัก อ, อยากจะกราบไหว้เป็นชี้มากกว่าพระเพราะฉะนั้นหนอะยนี่อะไรก็จยกให้ ได้นี่อิสระนี่ความสุ ข, ขออระเบื่อกันช่วยกันบอกพระถูกสละช่วยไหมจีก็ไม่ค่อยถูกไม่มีนิสัยถูกสละหลาาักวัด ป, าป่าวัดภูเขาทองขอให้ตรงเหม่งไปอยู่นี่เออหายใจล่งหน่อยห ว, วานเห็นผ่ากันเอาดิน เข้าวันโดยถมทางโบจะตกแต่งตรง น, นั้นเอาเลยเอาเลยต้องหนุเอาเล ย, เเล ย, เเลยผมอยู่แช่นี่ผมอยู่แช่นี้ไม่มีอะไรอีกแล้วอยากทำอะไรต้องมันดีก็ทำไปเลยแต่ว่าช่วยกันดูไม่ชี้ด้วยระลับกวาสะดวกสงบปลอดภัยทุกรูปแบบเจ๊งเน่ผู้หญิงเนี่ย วบวนนี่ก็ถือว่าได้กินกับพ่อผู้หญิงไม่ตายกับพ่อผู้หญิงนะขี้อวดแต่พอต้มข้าวเนี่ยอยากให้หมอขี้บวชไปเรียนกับคุณมูนะก็งูต้มข้าวเป็นอ่าเป็นะแผ่นเลยนะน้ําข้าวเป็นแผ่นบางทีจะก็ตัวต้มข้าวเลยบางทีก็เท่าน้าบางทีก็ลินน้ํา มันนั่นไม่ค่อยมีประโยชน์อย่าให้ต้องดินน้ำต้มข้าวมันเป็นแผนเรียนคนหมูนะยังคิดว่าเออเรากินแต่ต้มข้าวก็พอแล้วถ้าต้องเป็นถ้าต้มไม่เป็นก็จินไปได้นี่ยังอยากจะอยู่เหินภูภูวัดตาภูทอง เลยอากาศของเจ้าเจ้าเลสุดยอดที่หลังเขาลูกนี่คือวัดตาดผูทองสุดยอดในเขาลูกนี้ที่อยู่ผู้หลงก็อยาปเชียงลเล ย, ย, ยเขาเลยสุกโตก็อยาปเชียงเลยเขาเลยวัดตาดผู้ทองหนึ่งสุดยอดที่สุดเลยในชีวิต ต่ไปอาจจะไปหน้าเลยไปนะไปอยู่ตาปูต่อฮคิดไปอย่างนี้นะบางทอาจจะชวนใาจัรนเลื่อไปอยู่เล่นกังบันมีน้ำมีอะไรไปดื่มมีของฉันนอดอจอดรถไปที่โนอนนอนเล่นนั่งเล่นปฏิบัติทำเล่นๆอย่างนั้ ไว้กินอากาศบริสุทธิ์ยืนนลรกลับมาวัดตาโูทองสุดยอดสำบอกวัดที่หลังเขาลูกนี่ <c oughs> มีแสงแดดบ้างมี่ป่าไม้บ้างมีลมบ้าง บวกเข้ากันออกซิเจนจากต้นไม้ออกซิเจนจากลมออกซิเจนจากแสงแดดหัวข้อเป็นวิตามินไม่มีชื่อหลอบชีวิตจริงจริงเดื น, นยิ่งมีธรรมะมีใจเข้าไปจิตวิญญาณเข้าไป กระเซิดเลิศที่เดียวแล้วที่นั่นอาจารย์ก็อย่างนั่นต่อไปตัเข้าต้ม น, นั่นแห ล, ละตัวอบมาบดบดมีเตาอบอบไปก็ไ ป, ไปตอนนี้ก็พอแล้วต่อไปชีวิตเน่ยเหมือนกับเราก็เป็นไก่เจโคเจ๋อู๋เจ๋เจ๋ต้องเลี้ย สังหางอยู่ในขอบของหมูข้อหมูไม่ค่อยได้ไม่มีแรงที่จะไปเสียดสีเวียดเวียนหลบรลีกให้เป็นิจฉะนล้วก็ไกลแจตัวนังอยู่วัดวาสุกโตูตอนนี้จานโมเทปเผลไปนอนอยู่เล่นอยู่มานอนอยู่ที่นั่น ก๋เจรีกเล่นเล่นไปเดินไม่ได้ไมไดเดินตามทางเห็นผงอยู่ไหนหลบเลีกกว่าเห็นข้าป่าข้าพงแบบเหยียบยอาเหยียบพงไปไมาเหยียบถนนลันทางหลบเลีกไปเราเห็นก๋าเจรนะเปรียบเทียบกับเราเหมือนกันเราแลเนี่ยโยนข้าวห้กินมันก็ไปลุกี่ลุกลกน มองหน้ามองหลังค่อยๆ ย, ย้อนเข้ามาบางทีก็ไม่กล้ายืนดูเฉยๆหลับตาปิ๊บๆดูอูเเอยู่อยู่อยู่มงหลงกระ บ, บเลย ที่เดินทางไปทางเขาทั้งอัจฉรเอาปล่อยทิ้งไว้อลังกบาดแถนั่นมิเตภูเขาจิดาแจ้งทึบไม่มีต้นไม้ไม่ย่าหาเหลียจินตะบองเพชรเดินเจอชักเจอโจผู้คนย่ายนนี้หมดอันเป็นพายุฝุ่นอยู่ไม่ได้ผู้เจอก็เดินเจอชักเอโซเขาไม่เอา ไม่เหมือนโคแกที่ในปารลนสีเป็นเจ้าของเมือง น, นอนตามถนนทางอาหารการกินขยะเป็นเทศบาลเจ็บขยะโคแก่หมูหมูป่าเจ็บพูดคนไปถ่ายขี้ดำวิ่งต่างๆพวกหมูป่าพวกนี้หาเจ็บเป็นเทศบาลให้ ก็นั่นก็ชีวิตของเรานี่นก็ว่เป็นไก่แก่โคเจ๋าอยู่บ่อยอาศัยหมู่อาศัยเมือนอยู่แบบเรขับรถเป็นจไปนอนอยู่เล่นกลางวันอยู่ทุกวันนะป๋าศาสตร์คุยทองนะไปไหมพวกเราไปอยู่จังหวัดไหมเราจะกิน ปฏิบัติธรรมนัน่นปฏิบัติธรรมเพื่อทมเพื่อทมเพื่อท ำ, อ, ท ำ, อ, ทำอยากมีชีวิตอยู่ในรูปแบบใดก็เพื่อทรมะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก่ต้องให้พอสมควรสร้างขึ้นมาในตัวเราสิ่งแวดลอมจิตวิญญาณสังคมเุรกิจอาชีพการงาน ระเบียบวินยัยให้อยู่กับเนื้อกับตัวเสมอแม่อยู่คนเดียวก็มีชิ่นเหล่านี้จิตวิญญาณไม่ปล่อยทิ้งไม่ให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ให้เกิดมาเ ก, กิดผลตลอดเวลาสังคมแม้เราอยู่คนเดียวก็เป็นสังคมไม่ทำอะไรแต่รอนถึงว่าช่วยประเทศชาติอยู่เวลานี้ เศรกิจก็ไม่พุ่งพื้อพุ่งปวยไม่ได้ทำอะไรให้เกิดความเื้อหาถ้าพอจะทำให้ดีขึ้นมาก็ทำาล็กบางทำบ้างอย่าปล่อยทิ้งตากระดูกก็เห็นหูอะไรต่างๆสัมผัสได้ในโลกนี้สิง่งที่กวนเจ้าขายอยาชีพก็ให้เป็น ไม่เบียเบนตนไม่เบีแดเบนคนอื่นชอบทำให้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่เบียบเว้นหนอยเออทำมายืด拉ไม่เป็นที่จะช่วยแต่คนอื่นเคยเมตตากนาวเสมอใจอยากให้แม่ชีเนี่ยเป็นผู้นำ ลองต่อไปดูศาสนาพวกสูนหัวยามที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือไต้หวันเนี่ยผู้หญิงแม่คีภิกษุณีเป็นผู้นำในศาสนาพระไม่มากภิกษุณีเนี่ยเจ็ดสิบปลูกพระห้าลูกตั้งนั่นเองแต่ทำงานทำการทุกรูปแบบเป็นภิกษุณีทั้งนั้นออกขว้ยแพ้ ฉันเสร็จแล้วก็ขับรถคนละคันออกไปมีเครื่องมือเครื่องสอนเครื่องใช้ VCD โเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ จ, าจาเข้าถึงกว่าบ้านได้ดีกว่าพระแล้วก็ผู้หญิงจนระดับหวานไต้หวันก็ว่าแล้วก็วิตกกังวล ม, มากไต้หวานพวกผู้หญิงสา ว, สาว จบเลียนจบลงออกบวชกันทั้งนั้นไม่ทามาทำการวิตกกังวลว่าผู้หญิงที่มีคุณภาพอาการออกบวชหมดีแเจปริญญาสาวๆเท่านั้นพ้าก็ไม่มากอย่างเวียดนามนี่ไปกับอาจารย์เท่ยวนี่มีแต่หนุ่มๆสาวๆออกบวชกันแต่รัฐบาลเวียดนามไม่สนับสนน แ้วพวกคุณจะมาอยู่นี่ต้องศึกปะมําลอยู่นี่ไปได้จนนามามาอยู่บ้านพำนที่เขาใหญ่ไม่เจหนุมสาวทางนั้นเวียดนามบอกบวชกันอยากให้ไม่ชีไทยเนี่ยนำศาสนาตรงดูเราจะพอที่ไม่ขี้อวดไปเลยแล้วสังคมที่นี่ชมจนที่นี่ไปเลยแล้ว อ้าวอนนี้นะฮ่าฮ่าฮนะอ้าว่อ